จึงน่าจะพิจารณาพอให้เห็นเขารูปว่าแก่ไหนเพียงไรคำพีปรมัตต์มัญชุษากล่าวว่ามูละสมาธิและบริกรรมสมาธิที่กล่าวถึงในคำพีวิสุทธิมักเป็นขณนิกะสมาธิมูละสมาธิคือสมาธิขั้นมูลสมาธิเบื้องต้นหรือสมาธิต้นเขาบริกรรมสมาธิคือสมาธิขั้นประเตรียม